เป็นบุคคลเปที่จะยังต้องศึกษาเพื่อละเพื่อเลยเศรษฐะหน้าที่ที่ระต้องปฏิบัติเกี่ยวคับธรรมวิเลยนี้ของเรายังไม่เป็สุขทางเดินในวัฏจักเรายังไกลอยู่มากเพราะฉะนั้นเราต้องริบเต็มจำเป็นเตียงภาวนาจะได้หลักวันเกะกันสุ้ง ว่าวันหนาเราจะทำวันแรกเราจะทำไม่ได้ีเวทการเป็นดูใช่วันตรุงนี้แต่หากเป็นวินาทีนี้ที่เราเนกันดโด้ในปัจจุบันการตอันเป็นสึงที่มีอำนาจหนมนุษย์ทั้งหลายย่อมครอบงำเราอยู่ทุกวินาทีทุกลหายใจเดินตะเกียงกระด้าหายใจเข้าครั้งหนึ่ง ถ้าไม่ออกมาเราสิดลงเข้าขั้นหนึ่งลมไม่กลับออกมาเราก็ต้องตายเราลนออกไปแล้วไม่ยอมกลับเข้ามาอีกเราก็ต้องตายเราจะนั่งตายตั้งแต่มีดูทุกขณะติดทุกลมหายใจติดลมเข้าขึ้นหนึ่งเป็นกามเตือนต่อยลมออกขึ้นหนึ่งเป็นการตัดเขื่วนว่างละกาง Segundo, กามสูดลมเข้าตัดสูดลมออกหยาดไหลลมออกติดต่กันชื่อนันเป็นความว่าความคิดอันที่เตบโตขึ้นดับไปอยู่ทุกปราจิตความคิดนี้เติขึ้นเป็นความตโตความคิดนี้ดับไปเป็นความดับเมื่อเป็นเช่นนั้ Logan, นเราจะได้ใจรู้ว่าส่วนนี้เราจะมีจิตอยู เราจะนำเราเองไม่ควรจะมและโอกาสต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านแสดงใจความกัมเรจิตทำความสนุดโลภะใจรักที่เกิดขัดเกลภายในจิตของตนเองเมื่อเราตายกับจิตของเรายังมีการสัมพันธ์กันอยู่เปลี่ยนไปที่เกิดขัดขัดใจเราจะรู้ ตุกเกิดขึ้นเรารู้ตุกเกิดขึ้นเรารู้ารกรายเกิดขึ้นเรารู้การไม่กรจายตการไม่กรายเกิดขึ้นเรารู้เรามีตุกมีทุกลับเปลี่ยนกันไปการตัดเปลีนระหว่างการตกและการตุกซึ่งบันเติ้นดืดไม่หยจ ถ้าเราสติสัมปชัญญดอยู่ตลรู้คารไม่เที่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแต่จะรู้การเปลนแปลงของสภาวะที่มันไม่เที่ยงมีความหมุนเวียนเลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเราจะรู้ว่าสิ่งนี้มันเอยู่กับที่ตัวอยู่ตลอดการไม่ได้เราจะรู้ว่าไม่ตัวอยู่ตลอดการขอสภาวะนั้นๆไม่ได้ เาตระอนักดีว่าเปน่นั้นก็ไม่เป็นตัวแต่ตัวและมันไม่สามารถที่จะดำรงตัวอยู่ได้ตลอดกาลเราะนั้นพามมานเปงตัวอย่างมีตาตาติดตาติดในเร่งต้ตัวอยู่ตัวขนาดหนึ่งในที่สุดสลายตัวรักกณะาดาษอย่างนี้เพื่อว่ า, ารพระไตรลักษเพื่อเปล่งตัวอย่าง ในโลกนี้ท้องที่เป็นลัตตุผลท้องทเป็นตามนัตถ์ทั้งที่เป็นโลกธันมทอ้งที่เป็นดามธรรกสงทอย่างที่เราสามารถกำหนดรู้ได้เลยทีเปทั้งหลายเหล่านั้นเป็นปัจจาระสันเป็นธรรมะโดยธรรมชาติธรรมะ่เป็นมาโดยธรรมชาตินเข า, าก็มีเกิดตายตัวอยู่เพียงสอย่าง เต็มโลกเต็นอาณาจักรในโลกเท่านั้นโลกเป็นตัวยางที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งสิ่งที่มีสีวิตแต่ดไม่มีสีวิตแต่ดสิ่งที่มีเตใจไม่มีเหตใจตามในที่สุดแม่จะเป็นวัตถุซึ่งไดวิญญาณก็ต่อเจัในทีสุดธรรมชาติต่อพระไตรลักษณเจออนิจจ์ตุกข์ภะวะนาจารยเทรานั้นไม่มีสิ่ใดสลิดเลื่อนจากตนไม่มี้คได้ จากนั้นธรรมะที่เราควรจะเรียนตัวเจอธรรมะที่เรียกว่าธรรมชาตินั้นเองกายกับใจของเราก็เป็นธรรมชาติจากเป็กธรรมชาติจะเริ่มได้กำเนเดิดมาจากสีดามานดาซึ่งมีนิวัฒนาการเจริญเติบโ ต, ต, ต, ตขึ้นมาตั้งแต่จุดเล็กๆกลายเป็นโลกกันล่าง ในอวัยวะทุกเพ่อนทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณตามแบบของธรรมชาติเรามีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เราเป็นมาโดยธรรมชาติต่สานเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติต่อมนุษย์สรรมชาติเท้าเดี่ยวเล่นบนเติมแต่ดินเอาไปัวชีตาการนี้เป็นธรรมชาติต่อมนุษย์ธรรมชาติอันนี้อยู่ในบทสี่เดียวกว่า ธรรมากันเป็นธรรมชาติกันเองดันี้ธรมชาติเรามเเลี่ยงเรื่องกายกับใ จ, จเป็นเครื่องประกอบกันเรามาศึกษาศึกษาธรรมชาติเราอาศัยกายกับใจเป็นหลักหรือจะเรียกว่าอาศัยกับจิตเป็นหลักก็ได้ตายกับจิตแยกจากกันไม่ได้เพราะถ้ากายขาดจะจิตเป็นญาติตรงนี้ถึงจะเดืดตั ตายก็เองแต่การตายแล้วกลายตัวจตัรยานตัวนี้เขาไม่มีกายก็ททำอะไรไม่เป็นก็เที่ยงแต่เป็นตามธาตุอันหนึ่งหรือวิญญาณธาตุอันหนึ่งใจนั่งอยู่หาที่เกาะไม่ได้ราดใจยังหาที่เกาะไม่ได้ยังหาที่เกิดไม่ได้โดลภาร่างตนตัวกาเป็นวัตถุทำแต่ไม่ลารุด จิตวิญณดวงนี้จะต้องล่องลยไปหาที่อกาะซึ่งนม้ะบนกำจะตัดพาไปให้ตกที่ไหนบาทีจะบก็ได้ก็อาศัยจิิญญาณดวงนี้เปนของกลางกลางแล้วมาอยู่ในตแห่งทไตรลัดถ้ามีตื่นตาจะเหลืออยู่กางทีก็จะเกาะล่างจัดตือหลักฐานไปเกิดเป็นจัดเป็นหลัฐานก็ดีขางนี้ตื่นแสจะบกนกำจะพาให้เจนไป ลานเทตเปตเปตเตเป็น่างมนุษย์เป็นร่างเทวดาอินทร์หรือเป็นผู้ยี่ใหญ่บนสวนสวรรค์ใต้สวนาลายเป็นต้นตอนรกจะบนตัดดกัปชาให้เป็นไปตาเตยไปดันที่ใจนั้นตาตีเกิดเป็นตัดตาตีเกิดเป็นมนุษย์ตาตีเกิดเป็นเทวดาตาตีเกิดเป็นอินทร์ตนตนตนนั้ บางทีก็มาเติเป็นพระเป็นเนรแต่เป็นารเป็นเนรบางครังจะมีจิตใจบั่นทอนเลยทนั่งเกิดเป็นั้งตบายที่ภาวนาบางเวลาก็เกิดที่เขียบที่นั่นแต่ได้ยากจะมาเติบจนไหนละภาวนาเป็นทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นลักษณะแสดงถึงกตรลักษณ์อานิจจังทุกขังอนัตตาไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่านั้น เกียวกับการเปลี่ยนแปลงอนิจจังตุสังอนัตตาความเริ่มด้วยตายต้องเกิดพอเราเติบโ้นมาแล้วเริ่มแต่ลูกเตียงสาตนะแล้มีความภาคภูมใจในการเริบโตโตตลอดเรารอวันรอตืน่เราจะเติดโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อไหร่ถ้าอาจาร คิดนี้มันเป็นไปริงก็เราคิดเป็นไปตามตามระค์ของเราเราจะเล่นกันโดยเมื่อโดยกัรเราต่อต้อมตัดมีผิวพรรณวันละสดใสมีหัวคิดสติปัญญาสามารถเรียนรู้วิทยาการต่างๆได้จริงตั้งหลายหลานี้เราเรียกว่าตามเลยในาหาดมีหลักฐานดีมีทรัสินเงินทองก็โวดหน้าซึทุกทีทุกที อนนี้ตราจะแสดงถึงการเจริญในด้านฐานะเราไ้รับแต่งตั้งให้เป็นขุนเป็นหลวงเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเล้าโตเป็นเจ้าต้าเป็นขุนกป็นเจริญด้วยยศ้าปัจกัยการเจริญทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าการเจริญแต่ก็ต้องเป็นการเรียกว่าอนัตจักรับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราชอบใจเราจึงเรียกว่าเจริญ แต่แทอที่จริงก็คืออนิจจังตัวเดียวนั่นเองเพราะเราไปติดคําว่าจเจริญเจริญ น, นี้รามองเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านจเจริญขึ้นเป็นสิ่งที่ติษ เ, เป็นสิ่งที่เป็นไปตามที่เราต้องการเราสมความปรารถนาเราก็ดีเองแต่แท้ที่จริงการเจริญนั้นที่หล่ายนั้นก็คืออนิจจังปุพพานะตานั่นเอง หากสิ่นี่เสียยนแปลงไปในข้างสายจเจริญเรามีอกดีใจก็ราะอบใจเรามีอกดีใจเราชอบใจในสิ่งที่มันตจริญรุ่งเรืองบางครั้งจะลืมตัวเลืมตัวจะลืมในสิ่งความเดือดเราจึงขาดามที่กระดาษถึนนงตนแทธรรมชาติเจออนิจจังทุกขังอนัตตา การเจริมเป็นสิ่งที่ปิดตังพระไตรลักษณ์ถ้าเราไปแกล้โถอนหลงไหลไปสิ่งที่มันจเจริญไปตามคามต็องการเราเป็นมองไม่เห็นตัวอ น, นิจจังทุกสังสาตธาจะเลยว่าพระไตรลักษณ์แล้วทำให้เราแกล้โเอนหลงละมาดในไวในคางไม่มีโรกในคามสุขสมบูร์ของร่างกาย ในความสม บ, บูรณ์สุ ข, ขต่อสัตสมบัติตราใจที่เรายังจะตับตา น, นเจริญรกเรืองกันที่เราไม่เปียนแกเราก็กระตกแต่คารดีใจความเามมบิานใจกับอะไรเราผสมปรารนาแต่ความสมปรารถนาอันนี้มันเปลียนเหมือนยาทิศเพื่อเพื่อนนั้นตาม มันมีโอกาสที่จะแสดงติ๊กงก็มันออกตาได้ไรเสียงเหล่าท่านมีอันเปลี่ยนแปงไปร่างกายคล้ายเป็นทางการแต่ความเจแต่ความตายบัต่อบัดมีอันเปลี่ยนแปลงไปจากปริบาณนปนมากมาดน้อยน้อยเร่องการกเปลียนกัาตรวจให้แต่ระบบตุนตะเชิดาผู้สึ่อารกับผู้รับสารดง เหรือบานครั้งอาจจะมีอันเป็นไปในทาเสียหายโดเหตุจากใดจากหนึ่งซึ่งเกิดจากสุขภัลายชนิอาจเกิเอาใจใปได้ลากะเพยโตและไปามให้เราต้องหมดติดในการครอบองกฎระบัยบทั้งหลายเหล่านั้นบางทีกฎบัญัติต้องขอเช็คตำแหน่งจากตามเป็นผู้ใด่เป็นผู้เยิ่งใหญ่ให้ใหญ่โต กลายเป็นราชดอนคำบาดาหรือบางทีอาจจะต้องโทษเข้าไปอยู่ในที่ ค, คุมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นความเจริญเหมือนกันเป็นความเจริญในข้าศัตรูการเจริญอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลการเปลีป่ยนแปลงอันนี้คืออ น, นิจจังตุขังอนัตตาเหมอนกันแบบ การเปลี่ยนแปลงในข้างสายเจริญเติบโตขึ้นความเจริญในกาเรเติบโตขึ้นทุกมิติทางเรียกว่าอนิจังาสาข้า ง, งเจริญเช่นเรื่องเจริญเต็ทนที่แล้วมีความเติมเติมไปเรียกว่าอนิจังสายข้างเติมในทางร่างกายของเรามีความสข็งแรงทุกอย่ังสมบูรณ์ เราสามารถตรงกายลุกเดินเผินได้อย่างตัองเข้า่างวัยเพราะเรายังมีการกระินทั้งกําลังกายและกําลังใจแถมยิ่งกระเดินด้วยกำลังทัพย์สมบัติด้วยก็ยิ่งเป็นสนานาศีแต่แม้ว่าทรัพย์สมบัติจะมีกําลังพร้อมบริโภคอยู่ก็ตามแต่ร่างกายแก่ชราลงไปถึงการแก่ตัวการสมบัติที่มีหล่ายนั้น จะไม่สามารถที่จะมาช่วยแก้ขาเกมเลือกเราให้สมบูรณ์สมบูรสุดส่วนอย่างสมัยที่ยังหลงยังสาวได้เลยทิ้งทั้งหลายเหล่านี้เป็นศรธรรมชาติคืออนิจจ์ทุกขังอนัตตาความแดงความเกิดเป้นสิ่งที่มีกำลังหลงส่งให้มีความเจริญในเบื้องต้นแล้วก็ให้ตรงอยู่ในท่านกลาง ก็มีการเกิดจรงมีแต่มีเจ็บและก็มีตายเป็นที่สุดเพรก็มีการเกริดจึงมีกามเกิดเป็นสองคู่กันเพราะฉะนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาว่าร่างกายคือเป็นปสถันทของเรานี่รรป ร, าายยรกะกอบไปด้วยเป็นบรราสัญญาสังสารหยินหยาเริ่มแต่จิตใจอันประกอบไปด้วยธาตุสี่สีน้ำลมไฟ เมัอาตยัตระโธตายจะูเส้นตายใดไว้สำหรับติดต่อโรกเสียงสี่งลอดสัมผัสธรรมาลงในภายนอกเพื่อว่าอายัตณะติดต่อใจหกนออหกรวมกันเป็นติดต่อ้าดสิบแปดที่อาศัยตายเป็นอยู่ในโลกภาตุจัตุอาโุโธตาาดอะไรเก็บตนเป็ น, นทั้งหลายแบบนี้ ดสดเจริสดแข่งพระไตรลักษณ์อนิจจสุขขังอนัตตาเท่านั้นแต่เรามาพิจารณาดูการาเตนควารกริญของร่างกายที่มีอยู่ว่าโลกเปตนใดสัญญาประทังข น, นยัญญาสองตนเติมเต็มที่ตกอือในอำนาจของพระไตรลักษณ์ืออิจจตาตาไม่เพี่ยพุตตาวาเป็ น, นทุกขอนัตตาตาไม่เจตัวไม่ใช่ตน แต่เราพิจารณาน่อยๆเข้าเรจะมองเห็นสดขอสกายรักษาสดชื่อยางสดชัดภายในจิตของเราเราจะเราจะดูการเปลียแปงของตายในแง่แห่งความสดกสเปลี่ยนไปละในขณะจิตนี้ปัจจุบันนี้เราก็สามารถมองเห็นวามเปี่ยแปงของตายได้โดยกำหนดว่าในเราั้นตอนแรกๆจมีความะบาย หลับเข้าเปรธนามันใส้ลบกวดเราสิละน้อยละน้อยถ้าจบเปรีเวธนาเกิดขึ้นเราก็สบายแต่ถ้าจุกปเวทธนาเจ็บปวดขึ้นมาเราก็ไม่สบายร่างตอนแรกเรารู้สึกสบายนั่งนานไปรู้สึกเมื่อยสิ่งท้งหลายเหล่านี้ก็เป็นกธรรมชาติอนิจจงทุกขั้งหน้าตามันญาวเกดขึ้น ก็เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงแท้ก็เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงแท้ย่อมมีสุมีทุกข์สลับกันไปอยู่ไม่หยุดหย่อนโดยที่สดแม้แต่ชีวิตของเรานี่มันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่แน่แท้อาสวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่แน่แท้ มลังีมาลังคีวิฏังคีวิการตายตายเป็นของแน่ธออะระโยตังเมคีวิฏังีวิฏของเราารตายเป็นที่สุดถ้าตายแล้วไปแล้วตายด้วยความหมดสิริมจิตัยบริสุทธิ์สะอาดปราจากอสุจทั้งหลายทั้งปุกมีสภาวะอรู้สึโดยการ ธรรมชาติแห่งพระบางเกิดสมนในจิตเปี่ยนใสทำให้จิตมีความบริสุทธิ์สะอาดจะจาด้าสลับได้หมดไม่เหลือติดอยู่ใดจิตใจของเราแล้วการตายชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สิ้นสุดแล้วก็สุดลงไปจริงๆ้าแบอกีเดียวเราจะสิ้นท้อสิ้นขาดเมื่อหมดคามมีตามเป็นหมดความเกิ หลังจิตถึงความบริสุทธิ์ปราศจากอาสวะทั้งโทงแล้วก็มีแต่จะบรรลุถึงอรหัตตปุตตเดชชนิพพานไปความโต็แรงเจ็บตายไม่ป็นลาสุกอีกแล้วต่อไปที่วิความเป็นอยู่ก็เป็นของแม่แท้เป็นของเที่ยงเที่ยงโดยไม่กลับมาเจดคนทุกข์ทรมานในวัฏสงสาร ไม่มาต้ อ, อนับอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันเป็นเป็นที่ลังคาจิตใจให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ูดตลอดเวลาตานพิ่เรณญญาขัตติยรัตในเราเกิดตเมงอเราให้มีสรรมะที่มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์แล้วเราสามารถที่จะกาหนดดูอารมณ์จิตของเราเองโดยธรรมชาติของจิต เขาจะนิ่ว่างอยู่ตลอดการไม่ได้และเกิดขอพระอรหันต์ก็ไม่มีว่าเจิดขอพระอรหันต์ไม่มีว่าจากอารมณ์แต่ว่าจากสิเลสเกิดขอสุตุิชนไม่ว่างจากอารมณ์และไม่ว่างจากสิเลสก็ เ, เป็นเช่นนั้นการปฏิบัติเจ้าอาศัยสีสเป็นผู้นฐานอย่างํามแม่ไปสีพ่อ เม่มาครนลงไปแแล้วตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์สอาดในสัตว า, าการจิงใจก้จเราจะละบาปทำข้าอย่างนี้ให้เดขกผ่านตรงไปติดความรู้สึกของเราให้มีความครอบตัวต่อการละบาปฆ่าประการละบาปฆ่าประกานี้มันเป็นโมเหตุที่ให้เราสร้างกัรมตั้งเล่เล่ผู้ทุนพยาบาาฆาา เรวการละเมิดโทษฆ่าประการตอนที่เราจะละเมิดโทษฆ่าประการได้อาศัยอานา จ, จนกเกลี้ยกล่อมปลุกหลงเาปลุกเสกึพื่อทำให้เราละเมิดสถียข้อตาดาเลุกเสกทำให้เราละเมอดสถียข้ออจินนาก า, ารความรู้จักความไม่รู้จักประการในการบริโภคการทําให้เราละเมิดสถียข้อตาเมตุสิกขาตา การในๆเร้าไถในจิตในใจทําให้เราละเมิดสี่ข้อภาสาบาสการเหลื่งละเนรต่างๆทําให้เราละเมิดสี่ข้อสุราเก็เรามีสี่งผ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราจะไม่ละเมิดสี่งผ้าพ่อดังที่กล่าวแล้วเป็นคำว่าโทษที่จะเพิ่งต า, ามอำนาจแห่งการเลิกการตกการลง เราไม่ตัดขาดอดไปแล้วเราไม่ได้เกี่ยวพ้องแล้วเราอาศัยความอดทนอันเป็นประการสำคาญเพื่อหล่อหาดอย่างยิ่งเป็นเรื่องต้นอดอดอดจนจะเจ็บต้องเราค้นต่อการอดคล้องตัวต่อการอดภายหลังเราจะไม่ต้องอดและิจบ้างตัวเราอดทนไม่กาดบาดทั้งตัวอดทนและบาดทั้งตัว ความละบาปเป็นการทำการดีเจตใหได้ตั้งบาปตั้งกันก็ปราโมทย์บันเทิงแต่ในการดีแถมยังได้ทำสมาธิภาวนาสาธิเพื่อทางจิตทำจิตให้เป็นพุทธผู้รู้พสทธผู้ตื่นพุทธผู้เบิกบานทำจิตของเราให้เป็นผู้มีตามรู้สึกสำนึกจิต้อบชั่วดีอยู่ตลอดจิต เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็ลาโมบบันเทิงอยู่กับความมีคือความมีสีความมีสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นเี็นสมาธิเปงนเครองอยู่เป็นธรรมนิหารธรรมเคร่องอยู่ของจิตในเมื่อจิตมีที่พับผาอาศัยจิตมีความมั่นคงจิตมีความเป็นปกติแม้จิตจะตายแต่ไปสอดสองฟองดูสิ่ใดๆอันเป็นสถานการในสิ่งแวดล้อม เตของเราก็จะมีสติปัญญาอ่านสถานะการในสิ่งแวด้อมเหล่านั้นให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นไปตามตนของธรรมชาติคืออนิจจ์ทุกขังอนัตตาวัฏฏะพันละานพันโลกพันละนานพันเป็นสภาวะกันตามามหมาในทางศาสนาเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของเิตของโลกภูติจ้า เป็นฐานที่ตั้งระลึกของจิตข อ, องพระพุพิจารตอนต่อองอาไชอาเสิงอย่างที้เป็นสิ่งรู้แล้วปัจจัให้เป็นที่ตั้งของสติจนสติตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจนกลายเป็นมหาสติปัจถานทร์เกิมีสมาธิอย่างมั่นคงจนจิต มีที่พุ้ ง, องรองอาศัยเตือสมาธิหรือฐานที่ตั้งของสตินั้นทำให้จิตสามารถตนตัวดูได้ตามว่าจากคยินดีและการ้ายได้เป็นเวลานานๆกลายเป็นฐานสร้สางพลังจิตให้มีพลังสติปัญญาสานาสติวัดตนไปมองดูสถานการณ์และ ส, ะสะิ่งรอบร้อม ด้วยความมีสติสัมปัจจยและด้วยคามรู้แออจ้งเหตุจริงตามกธรรมชาติเธออนิจจโทขัง อ, อนัตตาบังครบู้ใดมาตกาาอัตติของตัวเองให้ดูอารมณ์ิตทุกขระจิตด้วยนนความาวา ม, าวามีสติสัมปัจญยทุกขระจิตทุกลมหายใจเธอะติสัมปัญญะมีพลังบานเช่นแผ่นดิ ดวงจิตของท่านผูดนั้นแะกลายเป็นผู้โธผู้รู้รผู้โธผู้ตื่นูดโธผู้เหบิกบานแก่นไสอยู่ตลอดเวลาอะไรทำเข้ามาดวงจิตที่สงสกระว่างไสวัยอยู่ทั้นอีกธิพลของสีนสมาธิสัญญาที่สปุขพ้อมลงเป็นสุขจึงเรียกว่าเอตายนามัส ก็อาจจะสามารถกำงจิตตรงอุนเสียคาทำจิตให้กำงอยู่ในปานเป็นตุปติภาพที่ประกอบด้วยพลังงานอันแกร่งไตยังสามารถปฏิวัติอนหรือปฏิวัติจิตให้ดำเนินไปสู่ปูความรู้ปูจิตภูธรรมตามขั้นตอนการปฏิบัติทันใจที่จะเป็นใจดังที่กล่าวแล้วนั้นเราต้องอาศัยการฝุกฝนอบรม ถ้าจะเป็นนักบริกรรมภาวนาก็ここบริกรรมภาวนาแ จ, จนกล่องตัวเป็จนจิตบริกรรมภาวนาเองถ้าจะเป็นนักคนจิตวิจนารณาพระไตรนักอนิจจุกขังอนัตตาโดยกาายกเอาฐานข้าตัวโลกเดชนาสัญญาสังขารอินญาเป็นฐานที่ตั้งเป็นอารมณ์ตัลกของจิตเป็นฐานที่ตั้งของจิ สนขาดคิดนิยกาในแง่ตามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนตั้งตัวจนคันนิสคันนัจนกระทั่งจิตสามารถปฏิวัตตัวไปตู่ตัวทางนิยการเองจนเราอาจจะนิยการว่าลูกเปินของไม่เที่ยงชอบมีแต่มีเกิแต่เก็นตายมีตกมีทุกข์มีทุกข์เป็นทุกข์กัน มีดีใจเสียใจซกอนี่ร ค, ความตกความทุกเกิดเส้นสี่รปความดีใจเสียใจกิดขึ้นก็อี่รูปก็โรคเกิดตายอันนี้เป็นเสนมือของจิตเราเกิดจกายมีความสัมพันธ์นกันอยู่ก็ยอ่อมสร้างเรื่องราวอะไรต่งางๆขึ้นมาได้ทาให้ตัวตั้งเขามีตกมีทุกข์ ดีดีดีชั่วมีสารพันที่เขาจะดนกันดาลให้เกิดขึ้นมาโดยอาศัเหตุที่ก็นตูีิกัพพะเจ้าเป็นตัวที่จะดานรู้ตันหรือว่าเขาไม่ยอมจบนรกจาระเมศสือทาถ้านักษาสือทาเห้าบริสุตธิ์บริสุทธิ์ตาตาสุนนรกเฮ้าสมบูถ้าเขาจะเท้าประหลับก็ห้มือีสือ่าบริจุทธริสุทดตัวกัน ข้าศูยผ้านี้ต้ต้นตัดสิต้นต้นพลาสลอนอาดาวก็ตุดตัดตลข้าเราดำรงอยู่เรานย์ผ้าตลอดวาดำรงอยู่เาสามจนมาเเ้าตลอดไปข้าเใจละเมิดศูย์ผ้าข้เราข้าตรงดำต้นตูนทางก้างตูตูอาดาวก็ตุดตัดตลดตลอดเตาจนต้น เราตอนนั so mind, ้นาต้อตาตั้งล้นคนผระบบเล้วราซุดเราองเราว่าตัดทั้งหลายด้วยคือมือคือลูกคปัตตุบรลนู้นลูก้มือต่อเราปัตตุบาลนี้เท่านั้นแล้ในอดีรชาติตัดทั้งหลายหลายนี้ก็เคาเสื่อคยตายมาแล้วนับไปอดและเราองตาแม้กดธรรมชาติคือทำให้ ทั้งรลายต้อนครร่ายคาถาสดุเบตนะเะื้วยพระปัญญาอันเฉียบแหลมได้ทำดีได้ดีทำทั่วได้ตัวสิเดียนร่ายคาถาสดุคนุกติด้านผู้ปกติด้านจะได้ผลแห่งกรรมที่ตนทำดีบั้งตัวตั้งจะได้ผลแห่งการดีหลือารตัวโดยทำหลงไปั้นเพงกลายตนตัวสังข มีเรียบงว่าสมญาที่ต่างตัวเรียกว่าอตยญาที่ต่าง